เราทำทำแบบคนขันกจอนและผ้าแสลมนะนทำได้เลยใครไม่ไปากกามาปากกาตรงนี้ก็ได้<ม>นิทานก็คือนะครับสถานที่บัญรรยศขาบทตอนนี้คือเมืองอะไรเขาเมื่อกี้เราได้ฟังมเมืองเวสานีนะครับเขียนลงไปได้เลยนะครับบุคคลนครัที่พูดเป็นต้นบัญรรยศคนแรกคือพระสุธินนะครับวัตถุเรื่องที่ทํานะครับคือแศษเมถุนนะครับอันนี้ ปัญญาติที่นะครับตอนนี้มีตัวอย่างมีบัญญัติอนุบัญญัติอะไรไหมครับบัญญัติครั้งหนึ่งใช่ไหมครับข้าพบัญญัติมีใช่ไหมครับอนุบัญญัติกี่ครั้งครับสองครั้งนะครับครับแล้วเขียนว่าบัญญัติไหนก่อนแล้วก็อนุบัญญัติหนึ่งแล้วเขียนว่าอะไรอะไรนะท้ายที่สุดแม่ในเศรษฐีรัชานะครับในเศรษฐีรัชกาลนะข้านะจ้าบัญญัติครั้งที่สองก็คือไม่ได้ลาศิกขา อตอมััต้องเขียนเขียนว่าบัญญัติเฉยนะ้คือจะมีข้าบัญญัติข้างกเรียกว่าบัญญัติส่วนอนุบัญญัติมันก็แต่เป็นข้อหนึ่งข้อสองครับหนึ่งโดยที่สุดไม่ในสัดีาชานบหรือว่าถ้าไม่พอก็ในตาชานแม่ตาชานนีนอนุบัญญัติคือไม่ได้ละข้อนึข้อสองนะครับแล้วก็อนัตินะครับ ตรงนี้นะอนันติการสังนะครับอันนี้เกี่ยวกับการสังไหมครับสังเป็นไหมถ้ามันเป็นจะใช้คําว่าอนานติกครับอนานติกาสังใช้คำนี้นะสังไม่เป็นนะครับอนานติติกาสังนะครับก็คือไม่เกี่ยวกับารสังนะครับใช้คำนี้เลยอนาตติกครับอนันติกังนะครับอารบัต็คืออาการที่ต้องอารบอกนะครับความจริง ไม่ใช่มาเพราะว่าเกลียวกสั่งเนี่ยสั่งเป็นไหมหรือว่าไม่เป็นถ้าสั่งเป็นนี้ว่าสารนักติดกาถ้าไม่เป็นก็เรียกว่าอนามนักติดกาอ่านบัตรก่อนนะครับอ่านบัตรก่อนอ่านบัตรกคืออาการที่ต้องอ่านบัตนะครับนี่ถ้าไม่ได้จจําแน่นะก็อันเดียนะครับจริงท้าไม่ได้จำแนนเอาเสร็จเมนทุนอย่างเดียวครับ เสรเองแล้วคนอื่นมาเสรจนี่แหละอีกสองแหละเร็จเองก็ต้องอันนี้คืออาการที่ต้องอาบอดนะครับอย่างเช่นออชครับว่ามันต้องานบัตได้แบบกริยาการเนี่ยอย่างในขยบปุยอย่างในทินทานมาแต่เช่นการรับซ้ำมันก็มีหลายลักษณะะครับนั่นแหละ อาการที่ต้องอาบัตครับมีหลาอาการนะนะนี่ก็มาดูว่าอาการที่ต้องบรินนสิทธิ์ขาบนี้นะมันมีอะไรบ้างก็มีเสศษไม้ถุอแล้วก็มายินดีแหละนะครับเยถ้าไม่ได้จําแนนนะที่เจอคืออะไรเศษของคนอื่นก็เป็นเศษของตอนเองก็เป็นคนอืนมาเศษมายินดีก็เป็น ผมเข้ประโยคน์แล้วพี่อ๋อครับกก อ, อ, อ, อันจะได้นะฮะมีส่วนเกี่เรื่องนะครับก็คือว่าอาบัตทั้งหมดที่จะต้องในข้อเนี้ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับกาจะมาได้ด้วยนะก็จะมีความพยายามเบื้องต้นงานการแสนงมระโยชน์มันก็เป็นทุกกดก่อนนะครับถ้าหนึ่งที่สุด ก, ก็เป็นประราชิษนะครับหลักใจนี้ก็ได้นะครับถึงตรงนี้นะบว่าเบื้องต้นว่าประโยชน์เป็นทุกขก์กดที่สุด ก, ก็ประราชิษ ต่อไปอ น, นาบัต น, นะครับเนี่ยอ น, นามผมไปไหนหลายบรทัด น, นหน่อยนะเขียนไปเลยเมื่อกี้น่ะอ น, นาบัตคืออะไรบ้างหนึ่งไม่รู้สองมายินดีสามเป็นบ้าสี่มีจิตรผลิตปหป้ามีพิธานาไล่กล้า น, นะครับหกก็อ่าที่กำมิการนะครับเขียนไปให้พอก็อแล้วกันอ่ะคน เพราะละบันทันไม่พอนะเราเราก็ดูให้ดีก็ได้กันนะครับครัผูไม่รู้ไม่ยินดีอวิกรจริตมีจิตุงสร้างกต่สามภาษาผู้เวทนาอธิกรรมิกะใครจามันนะบ้านเนี่ยบอกเอาสองแบบบ้านที่กำเริ่มกับมีชีวิตผลิตเพราะว่ายังนะฮะย่งมาทำทำแบบเพื่แลครก็ตาเทียน แต่ไปไม่บัต น, นะครับเป็นอะไรนมบัตนครับสีไม่บัตรหรืออาจจะน้นบัตรอันี้เป็นสีน้ไม่บัตรเลยนะครับ น, นี่นะเป็นสีน้ำม่บัตรอ่ะบันรนะ อ, องสองคือหนึง่งเขยเรียกว่าองสองหนึ่งจิตคิ ด, คดเกษนะครับสองนะครับหล่ออวัยวะเพศก็ไปทงางตะวันสาม ทวายห น, นึ่นงสอ ง, สองต่อไปอ่าสมุขฐานเขาทางเกิดขึ้นอาบัตก็คือ เ, <c oughs> เคยมาจากอะไรการล้มละเมิดครับเกิดมาจากอะไรสมุขฐานนะการล้มละเมิดครับ สมุทฐานฐานใช้เกิดอาบัตก็คือกายกับจิตนะครับมีจิตที่จะเสกแล้วก็มีกายที่มีการเสกนะไอ้จิตนะครับกิริยาเนี่ยเป็นกิริยาหรือว่าอักกิริยาเพราะนี้กิริยาต้องพอทําการเสกใช่ไหมนะครับถ้าไมเขาก็ไม่เป็นสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาไมโมกหรือโนสัญญาไมโมกสัญญาไม่โมกนั่นแปลว่าท้นได้เพราะไม่รู้นะครับโนสัญญาก็ ไม่รู้ก็ไม่พ้นถ้าสัญญาณวิโมโนิพ้นได้เพราะไม่รู้ครับข่าวเรียกว่สัญญาณวิโมกก็จะเป็นสัญญาณวิโมกขี่มนะครับกว่าสัญญาณวิโมกครับจิตครับอันนี้เรื่อีกเป็นยังไงเราจิตการเรียกสจิตการนะครับต้องมีจิตสจิตการนะครับต้องมีจิตยินดีรับรู้นะนะจิตเจริญเตมันจะเป็ น, นสจิตการ ครับมีสัญญาพิโมกขับโนสัญญาพิโมกรังเกเรนะสัญญาพิโมกพ้นได้พระพรไม่รู้ครับกเร่ะโนสัญญาพิโมกไม่รู้ก็ไม่พ้นครับถึงไม่รู้ก็ไม่พ้นครับไม่รู้ก็ไม่พ้น ไม่ถกตกิริยาถ้ามันเป็นกิริยาเป็นอย่างนี้มาเพราะว่าข้อเนี้ยมันต้องแบบเพ่อว่าทําหรือเพ่อไม่ทําถ้าาทว่าเรียกว่ากิริยาถ้าเพ่อไม่ทําก็เรียกว่าอกกิริยาครับพ่อจะมีบางข้อที่ต้องแบบพ่อไม่ทํานะ เ, นเช่นมะยองสิฏฐานหรือวิ ก, กัลจีวอนนะครับเรียกว่ากิริยาครับจิตนี่จะจิตตกานะครับวัชชาเป็นโทษนะครับเโลกกวัชชาปณติวัชชาครับอันนี้เป็น โลกับวัชชะนะครับเพราะว่าอนี่ยถ้าบอกเมื่อกี้นะเวลาที่สั่งเศรษฐุนเจ็ดเป็นกุศลอย่างเดียแล้วก็กรรมนะเป็นกายกรรมหรือว่าจีกรรมกายกรรมนกุศลปิกานะครับเป็นกุศลกุศลเรื่อพยากตาอันกุศลนะครับอันนี้เวชนาติกาเป็นสุขทุกข์รูปเบขาครับเป็นสุขแล้วก็ เบกขาครับสุกก็ได้เบกขาก็ได้นะนี่ยถ้ามิจฉาศขาบนนะตามมาติตาสิ่เจ็ดข้คคอครับก็เขียนไปนะสงสัยก็ถามได้ไม่ทำอะไรก็บอกครับองสองครคือมีจิตที่จะแสงนะครับแล้วก็สอนนะครับสอนองคาชาตินะ เข้าไปทางถาวรนะครับเราที่ว่าไปตเข้าไปโดนลิ้นที่เลือออกมาไม่เป็นเหออันนี้จะเป็นถูลัใจนะครับถ้าพสนเอาลิ้นที่สูไปโดงมัาครับอันนี้จะเป็นตกุงที่จิตถ้าจิตที่เป็นเสษก็จะเป็นทุกขก แติที่จะเข้าคืนนี้ในการเข้าผืการนั้นเป็นงานพิรศษครับ ธรรมดาได้อยู่ข้างในนี่ยครับแต่เอยู่ข้างนอกกุง้งอไรเป็นปลาชินนะไม่เป็นเป็นผิดนัดใจครับการทำนิมิตที่พี่อมที่ถามอว่าอ้าวนมิตะ น, นออกมาออกมายังไงครับดนับครับครับสับเปรเชืออะไรในชะ่แตกออกเียะครับ แต่ก็้มีการเข้าไปด้วยไม่ต้องเข้าก็กหมือนมนเนึง่ต้องึงได้แถ้าไม่เข้าไปเลยนั่นมีการเข้าไปก็ตางค์นะต้องเข้าไปนะเถ้าไม่เริ่มงานถึงจะเป็นครับโอ้เพราะวาเนียเที่ยงนี้ได้ ผมยังไม่เตี๋ยเรือ่องสลาที่ก้อที่สองไปดูดูมาตรงนี้ไม่เยอะนะมันจริงะาที่แต่ไม่ได้ซ้อปลาอ๋อครับตรงนี้จะอยู่ช่วงข้างหลังนะถ้าจะดูก็คือตั้งแต่หน้านี้นะครับนี่ครับตั้งค่าเป็นเครื่องล่าง น, นะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับแผลเรื่องสอนนะครับตั้งแต่หน้าแปดร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับ แนะปดร้อยี่ิบเจ็ดนะครับพูดถึงซากศพเลยนะซ า, ากศพในกาที่สำคัญ ก, ก, กินนะครับซีร่าเป็นซีร่าตายนะแตะงกเล่มที่หนึ่งนะแปดร้อยยีิบเจ็ดนะครับคูดมาเรื่อยนะครับสอดหัว่ไส้สารอะไรเนี่ยถูกต้องนี่เรื่องคือตรงนี้หมดเลยนะตรง น, นี้หมดเลยนะครับถึงหน้าแปดร้อามสิถ้าเราต้องการดูเรื่องเครื่องหน้านะครับใส่ถุงยาใ น, นเครื่องหน้ามีอะไรบ้างมีบูสันกสีนะปอหนังอะไรพวกนี้นะ สอนยังไงเป็นประลาชิดนี่ลูไปนะครับก็อยู่หน้าเตอรแปดร้อยสามสิบเอ็ดไปถ้าสอบเข้าไปนะเขาถือว่าเขามีเครื่องหน้าชใช่ไหมมีป้องแม้ไผ่ดีบุสักสีหุ้มไว้นะครับแล้วก็สอบเข้าไปไม่โดนอะไรเลยนะไม่โดนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องประลาชิดนะครับแต่ต้องทุกขกดนะแต่ถ้าไปโดนด้านในด้านหนึ่งไม่โดนข้างในนครับไม่ต้องประลาชิดนะครับก็จะพูดเรื่องนี้นะพูดละเอียดเลย ต่อไปอันนี้นักศึเชิ่องค่าสิกส่วงเรื่องไอ้ น, นะอ น, นาบัตรนะก็จะไปอยู่หน้านูปหน้าแปดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจากที่บ้านเรื่องอ น, นาบัตรนะตรงนั้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่หน้าแปดร้อยสี่สิบสองไปเนี่ยจะที่บ้านเรื่องไม่มีแต่วัตถุทั้งหมดนะครับที่บ้านไม่มีแต่วัตถนนุอ่านเรื่องเหตุการณ์นี่ก็ได้นะเปิดประตูกลางวันนะครับเปิดประตูนองกลางวันเนี่ยตรงนี้นะเป็เรื่องใกล้ตัวแล้วเท่ากับซีนลำบากเหมือนกัน ผมเคยไปในงานวัดข้ามโอทีห น, นึ่งนะแล้วก็าไรเข้าไปนอนในห้องใหญ่ใช่ไหมครับประตูก็เปิดเข้าเปิดออกกางจะนอนแล้วคนมาที่หลังก็เปิดออกอีกโอ้เปิดออกแล้วก็ไม่ยอมปิดอีกนะครับก็จะทําทใจว่าคนที่เข้ามาทีหลังใช่ไหมเขาดูประตูให้นะครับแตล้วก็มานอนเหมือนกันไม่จะทำใจยังไง <ul> ถ้าจะมีวิธีนะถึงแม้ว่าถึงแม้เราไม่ได้ปิดประตูไว้ก็จริงแต่มีคนทําอะไรอยู่แถวนั้นนะครับ อาจจะเยกบผ้าทำจุ๋อะไรก็แล้วแต่นะเป็นผ้าเป็นอนุบางสบก็แล้วแต่เราทำใจว่าเขาจะดูประตูให้เราไม่ได้ปิดประตูอยนี้ก็การอาบนบบลหันเหมือนกันนะครับการอาบนบบละหันเหมือนกันแล้วก็ยังมีคําถามว่าประตูแบบไหนที่ควรจะปิดแบบไหนไม่ต้องปิดนะครับถ้าบอกว่าประตูเวียนนะที่เขาเอ า, า, าบรรดาวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีไม้เรียมไม้ไผ่เรียม ลำแพนและใบไม้เป็นต้นทําเป็นบานประตูแล้วสอบลูกล้อครอบไว้ตอนหน้างและห่วงบนไว้ตอนบนนั่นแหละควรปิดนะครับอันนี้คอยนึกถึงประตูโบสถ์าใหญ่ๆหนญะ่ะเขจะมีห่วงมีค่องมีลูกล้อใช่ไหมไหมครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าประตูธรรมดาแล้วก็ไม่เห็นแล้วใชครับอย่างนั้นถ้าประตูที่เปิดนะมันจะมีบานอะไรนะ่ะที่มันครอบๆๆออกได้นะ เป็นระหว่างวงปกลบกับตัวประตูนะครับให้มันติดกันไอ้ในประตูพับๆบอกหน้ามันไม่ได้มีลูกล้อไม่ไมีมีห่วงม่ไั้มีโคกอะไรลับใช่ไหมแต่ถ้าประตูบานใหญ่เราจะเห็นอยนี้นครับอันนี้มันก็ส่งข้อได้เป็นประตูอย่างนั้นนะครับประตูปิดเปิดนี้นะควรที่จะปิดนะคะถ้าไม่ปิดแล้วลรานอนกลางวันเป็นอาบัติประตูชนิดอื่นเห็นปานี้คือประตูหนึ่งสลักไม้ประตูน้ําที่ออโคกผูกโค ประตูริ้งตามบ้านนอกเห็นไหมแค่เอาไม้ไผ่สอดเข้าไปนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านนอกก็จะรู้เป็นไม้อันนี้นะแล้วก็จะเจาะรูไว้ตรงไม้ไม้ไม้ไ ม, ม, ม้สองอันนะครับแล้วสอดไม้ไผ่สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปประตูลิ้งสลัไม้ น, นะครับ <c oughs> ก็คือแค่ไม้ไผ่สองอันตรงนี้นะครับเป็นอันนั้นมาแล้วก็่อาเจาะรูเจาะเจาะรูเจาะรู นั่นแหละเขเลยบอกว่าที่ครอบหงโคลเขาบอกนะครับประตูค้อบหัวอะไรอันนี้ไม่ต้องปิดอะไรประตูล้อเลื่อนตลอดกั้นบ้านในบ้านนะครับประตูหน้าบ้านใช่ไหมประตูแผ่นเลื่อนที่เขาทําประกอบนู่ล้อสองสามอันไว้ที่แผ่นกระดานที่กันใาส่วนข้อพูดประตูประตูบ้านนะใช่ไหมครับประตูหน้าบ้านประตูบั เด็ก็มีนู่มล้อที่เขาไม่ส่งขอเขาได้นะไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องปิดนะครับประตูแผง้อยที่เขาทํายกออกได้ใส่ ย, ยกเขา ย, ยกออกได้นะี่เหมือนอยา่างในร้านตลาดประตูรูปกลมที่เขาน้อยเส้นไม้ไผ่ไว้ในที่สองสามแห่งทําไว้ที่บ้านบุรีนะครับกระถ่องใบไม้ประตูมา่านผ้าอันนี้ไม่ปิดก็ได้ไม่เป็นอาบัต น, นะครับแต่ถ้าก็บอกว่าควรที่จะปิดอะไร ก็ประตูมากท่าชิ้นเดียวเท่านั้นไม่ทําให้ต้องอาบัดในเวลาที่บิสุมีบาดที่มือผ บ, บากประตูนีไ่ไม่ต้องครับต่อไปนะครับถ้าบอกเฉพาะประตูเวียนนั่นแหละเขาไม่ต้องอาบัดเต่บิสุผู้ภาคของในกลางวันแต่ประตูที่เหลือเมื่อไม่ปิดก็ไม่ต้องอาบัด น, นะครับแต่ก็ควรฝึดเสียเพราะว่านี้เป็นธรรมเนียมนี่ยนะครับแล้วก็ แล้วก็ปิดประตูเวียนเนี่ยปิดขนาดไหนถือว่าปิดดีครับขนาดไหนย่อมเป็นอันปิดด้วยดีด้วยหินประมาณเท่าไหร่ปิดแบบใสลูกดอใส่ลูกดานใส่ลิ้ส ล, สลักนะครับอย่างดีเลยนี่ถือว่าปิดด้วยดีหรือว่าใส่เฉพาะลูกดานหรือใส่เฉพาะลิ้สลักก็ปิดนะครับหรือแม้คําว่าปิดเฉยๆมันต้องใส่กรน่ะปิดให้มันจนเฉยๆก็ได้หรือขนาดบ้างลางแง้มไว้เล็กน้อยก็ถือว่าปิดได้ หรือที่สุดนะแม้เมื่อปิดประตูแง้ไว้ขนาดพอศีรษะสอดเข้าไปได้เห็นนะครับสอบเข้าไม่ได้นะแง้ไม่น่อยนะครับหัวหลอดเข้าไม่ได้นะจต่ทั้งจำวัดก็ควรทีนี้เลยครับด้านกันก็ถือว่าปิดเหมือนกันนะแง้นิดหน่อยหัวหลอดเข้าไม่ได้นะครับหรือแม้ขนาดบอกว่าถ้าสถานที่นั้นเป็นที่ใช้ของคนหมูมากคนอยู่กันเยอะนะแม้จะพูดกับพิสูจน์ด้สัส ม, มนเาแนว่าอาวุโส จงช่วยกันรักษาประตูแล้วจำวัดก็ควรได้บอกเขาก่อนหรือไม่ได้บอกใครแต่เราทําในใจไหมนะว่ามีคนแถว น, นี้อยู่เขาจะรักษาประตูให้อย่างนี้ก็ใช้ได้ในกรุณทีบอกว่าจะบอกกับผู้บารสก็ยังได้ครับแต่ถ้าบอกกับผู้หญิงนี่ไม่ได้นะถึงไม่จะเป็นพิสุนีนะครับบอกกับผู้หญิงนี่ไม่ได้พราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพลาดจาวัดหลับแล้วไม่ได้ติดประตูและ้วถุยมาแอบล่าลหลับใช่ไหมครับ เพระนั้นจะให้พี่สุนีปิดประตูอะไูอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ที่โบนะนอนอยูที่บอกนะมันจะมีส อ, อนนะทงที่ใช่ไหมครับข้างบนน่ะก็จะมีสอบอันหนึ่งนะและข้างล่างก็จะมีสอบใช่ไหมครับไอ้ตรงริ่มสลักก็คือตรงไหน <c ười> ข้างล่างเลยริมสลักอยู่ข้างล่างคับพี่บข้างบนเป็นนุ่มนาบางาทีก็บอกว่ามีห่วงอะไรนะสายยู่ย้อนยนะุกเนอะนู่นปรัถนาเลย ยิ่งก็สิอาย่่งไร